พอฉันเสร็จก็เริ่มเดินจงกรมสายพุทธบูชาจนถึงเที่ยงวันท่านจึงหยุดพักพอบ่ายสองโมงก็เริ่มลงเดินสายธรรมบูชาจนถึงสี่โมงถึงเวลาปัดกวาดสองน้ำจึงหยุดเมื่อทำข้อวัดทุกอย่างเสร็จแล้วก็เริ่มลงเดินสายสังฆบูชาไปจนถึงสี่ึห้าทุ่มจึงเข้าที่พักภาวนาหลังจากนั้นก็พักจาวัด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 ขณะที่จิตรวมตัวลงสู่ความสงบแม้เป็นเวลาหลายชั่วโมงก็ไม่รู้สึกว่านานตามเวลาที่ผ่านไปคงเป็นเอกจิตเอกธรรมอยู่จำเพาะใจเพียงดวงเดียวไม่มีสองกับสิ่งใดเวลาจิตถอนขึ้นมาจึงรู้ได้ว่าจิตรวมสงบอยู่เป็นเวลาเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้ชั่วโมงถ้าคืนใดจิตภาวนาสะดวกสงบลงได้ง่ายคืนนั้นแม้จะนั่งจนตลอดรุ่ง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 ตัวนี้เป็นช้างป่าจริงๆมีได้เป็นช้างบ้านที่เขาเลี้ยงไว้เหมือนคราวที่แล้วนั้นคือตอนกลางคืนท่านกําลังเดินจงกรมอยู่ได้ยินเสียงมันเดินบุก ป, ป่าฝ่าดงและเสียงไม้หักดังปึงปังปึงปั ง, ปงมาตลอดทางโฉมหน้ามุ่งมาอย่างท่านและเดินใกล้เข้ามาทุกทีจะหลบหลีกปลีกหนีไปไหนก็ไม่ทันจึงตัดสินใจว่าธรรมดาช้างป่าทั้งหลายมักกลัวแสงไฟ ท่านจึงรีบออกจากทางจงกรมไปเอาเทียนไขในที่พักมาจุดทีละหลายๆเล่มปักเสียรอบไว้ตามสายทางเดินจงกรมยาวเหยียดเชียวคนเรามองดูแล้วสว่างสว่างงามตาเย็นใจแต่ช้างมันจะมองไปในแง่ไหนนั้นเราทราบไม่ได้พอจุดเทียนปักเสียบไว้เสร็จเท่านั้นช้างก็เดินมาถึงที่นั่นพอดีขณะนั้นท่านเองไม่มีทางหลบหลีกปลีกตัว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 ซึ่งมองเห็นช้างได้ถนัดชัดเจนท่านว่าช้างตัวนั้นใหญ่เท่าภูเขาลูกย่อมๆนี้เองท่านเองก็เดินจงกรมไปมาอยู่ยังไม่สนใจกับมันเลยทั้งที่กลัวมันอย่างเต็มที่ใจเหมือนกับขาดลมหายใจไปแล้วแต่ขณะมองเห็นมันเดินเข้ามาหาอย่างพึงพายทีแรกมีเพียงความรู้สึกที่เกี่ยวพันกับองค์พุทธโธอย่างเหนียวแน่น ที่น้อมมาระลึกเป็นองค์ประการชีวิตเท่านั้นนอกนั้นไม่คิดเห็นอะไรเลยแม้ช้างทั้งตัวที่ใหญ่เท่าภูเขาทั้งลูกมายืนอยู่ข้างทางจงกรมก็ไม่ยอมส่งจิตออกไปหามันกลัวจิตจะพรากจากพุทโธซึ่งเป็นองค์สรณะอันประเสริฐสุดในเวลานั้นพุทโธกับจิตกลงกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนใจหายกลัวเหลือแต่ความรู้กับคาบริการพุทโธ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 พอจิตกับพุทโธเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วท่านก็หายกลัวมีหนายังกลับเกิดความกล้าหาญขึ้นมาสามารถจะเดินเข้าไปหามันได้อย่างไม่สะทกสะท้านอะไรทั้งสิ้นแต่มาคิดอีกแง่หนึ่งว่าการเดินเข้าไปหามันซึ่งเป็นสัตว์ ร, ร้ายอาจเป็นฐานะแห่งความประมาทอวดดีก็ได้เป็นสิ่งไม่ควรทาจึงเป็นเพียงเดินจงกรม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 เสียงหักไม้กินเป็นอาหารสนั่นป่าไปหมดท่านได้เห็นความอัศจรรย์ของจิตและของพุทโธประจักษ์ใจในคราวนั้นเป็นครั้งแรกเพราะเป็นคราวจำเป็นจริงๆไม่สามารถจะหลบหลีกปลีกตัวไปที่ไหนให้พ้นได้นอกจากต้องสู้ด้วยวิธีนั้นเท่านั้นแม้ตายก็ยอมโดยไม่มีทางเลือกได้นับแต่ขณะนั้นมาแล้ว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 เป็นสัตว์ป่ามาแต่กำเนิดซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่าร้อยปีไม่อาจรู้ภาษาคนได้ท่านจึงไม่ได้พูดอะไรกับมันเป็นแต่เดินจงกรมเฉยอยู่เท่านั้นตัวหลังนี้ไม่มีลูปรวนแขวนคอเหมือนตัวนั้นทั้งชาวบ้านก็บอกว่าเป็นช้างป่าและเคยเป็นในโขงมานานเฉพาะคราวนี้ทำไมจึงมาเที่ยวตัวเดียวก็ไม่ทราบอาจจะพลากจากโขงมาชั่วคราวก็ได้ดังนี้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 หรือจะตื่นตกใจกลัวไฟรีบวิ่งหัวซุบหัวปัําเข้าป่าไปก็ไม่ไปเมื่อเดินองค์อาชาติอาชนายเข้ามาถึงที่เราอยู่แล้วจึงกลับยืนทื่อดูเราอยู่เป็นเวลาตั้งชั่วโมงเสรษ จ, จึงหนีไปแบบธรรมดามิได้กล้ามิไ ด, ด้กลัวอะไรทั้งสิ้นจึงเป็นศาส ท, ที่น่าคิดพิศวงงง ง, ง, งนันอยู่ไม่ลืมจนบัดนี้จากคราวนั้นมาแล้วจะไปเที่ยวหรือภาคอยู่ในที่เช่นไร ก็ไม่คิดกลัวเพราะเชื่อธรรมะอย่างถึงใจแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสมกับธรรมะบทว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ปล่อยให้ตายจมดินจมน้ำแบบขอนสุงแน่นอนความรู้เรื่องของจิตของธรรมะยางถึงใจย่อมรู้กันในเวลาคับขันถ้าไม่คับขันจิตมักเล่นตัวยั่วเราด้วยกิเลชนิดต่าง ไม่มีประมาณจนตามแก้ไม่ทันยอมให้มันข้ามศีระไปต่อหน้าต่อตาประนึ่งไม่มีความสามารถหักห้ามตามแก้มันให้หลุดไปได้เลยพอเวลาเข้าที่คับขันจนมุมจริงๆกำลังของจิตของธรรมะไม่ทราบว่ามาจากไหนใจก็หมอบและยอมเชื่อเราเชื่อธรรมะไม่ฝ่าฝืนกำหนดบังคับให้อยู่อย่างไรหรือกับธรรมะบทใด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 จึงมักเชื่อต่อการทรมานชนิดหยาบๆยาบเพื่อให้ทันกับกิเลสซึ่งเป็นธรรมชาติหยาบที่มีอยู่ในตนดังคราวช้างใหญ่เดินเข้ามาหาขณะกำลังเดินจงกรมอยู่เป็นขณะที่ได้เห็นกิเลสและธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนภายในใจเพราะปกติจิตที่มีกิเลสเป็นเจ้าอำนาจครองใจรู้สึกฝึกทรมานยากดีมิดีเราพุจะฆ่ามันให้จิบหายสิ้นซากไป แต่กลับจะตายก่อนมันเพราะความเหนียวแน่นแก่นอาสวะที่เกาะกินเรามานานซื้อด้วยซ้ำแต่พอเข้าตาจนและได้ช้างใหญ่มาช่วยเท่านั้นกิเลสตัวดื้อด้านต้านทานความเพียนเก่งๆไม่ทราบหายหน้าไปไหนใจก็บอกง่ายสั่งให้อยู่อย่างไรและให้อยู่กับธรรมะบทใดก็ยอมรับทันทีทันใดราวกับน้ามันเครื่องหล่อลื่น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 แต่เป็นหน้าศัตรูที่เคยมาในรูปร่างแห่งมิตรต่างหากจึงไม่ทําให้ใจเชื่อชนิดติดจมในมันเหมือนที่เราเล่ามาและพยายามกําจัดมันออกทุกวาระแห่งความเพียรจนสภาพแห่งศัตรูที่มาในสภาพแห่งมิตรเหล่านี้สูญสิ้นไปจากใจนั่นแหลจึงจะนอนใจและอยู่เป็นสุขหายกังวลโดยประการทั้งปวงได้ ตามความรู้สึกของผมว่าคนเราถ้าหวังพึ่งธรรมะสนใจธรรมะรักไคร่ฝ่ายใจในธรรมะปฏิบัติตามธรรมะจริงตามที่พระองค์ประทานไว้ด้วยความแน่พระไทยและพระเมตตาจริงๆคำว่ารู้ธรรมะเห็นธรรมะขั้นต่างๆดังพุทธบริษัทครั้งพุทธการรู้เห็นกันจะไม่เป็นปัญหาที่สุดเอื้อมตามความคาดคิดอะไรเลยจำต้องรู้เห็นกันได้ธรรมดา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 ให้ตรงต่อธรรมะคือทางดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างไรบ้างถ้ามีการทดสอบตนกับธรรมะอยู่เสมอเพื่อความมุ่งหมายจะสำเร็จตามใจบ้างอย่างไรต้องสำเร็จในขั้นใดขั้นหนึ่งแน่นอนตามกำลังสติปัญญาของตนรอครั้งพุทธการกับสมัยนี้ก็เป็นสมัยที่กิเลส จ, จะพึงแก้ด้วยธรรมะและหายได้ด้วยธรรมะเช่นเดียวกัน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 การดูกิเลสและสแสวงธรรมท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามใจซึ่งเป็นที่อยู่ของกิเลสและเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมะทั้งหลายกิเลสก็ดีธรรมะก็ดีมีได้อยู่กับการสถานที่ใดๆทั้งสิน้นแต่อยู่ที่ใจคือเกิดขึ้นที่ใ จ, จเจริญขึ้นที่ใจและดับลงที่ใจดวงรู้นี้เท่านั้นการแก้กิเลสที่อื่นและสแสวงธรรมะที่อื่น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 เช่นรูปเสียงเป็นต้นเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสที่มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งขึ้นและการเข้าบําเพ็ญในป่าในเขาก็เพื่อส่งเสริมธรรมะที่มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งขึ้นเท่านั้นกิเลสแท้ธรรมะแท้อยู่ที่ใจส่วนเครื่องส่งเสริมและกดทวงธรรมะนั้นมีอยู่ทั่วไปทั้งภายในภายนอกฉนั้นท่านจึงสอนให้หลบหลีกปลีกตัว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 ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่ลดละท้อถอยสถานที่ใดจิตกลัวและมีสติระวังตัวดีสถานที่นั้นคือป่าช้าเผาผลาญกิเลสทั้งมวลด้วยตปะธรรมคือความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือเผาผลาญทำลายคำว่าชานก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีวิมุตติหลุดพ้นก็ดี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 ธรรมะเจริญนาที่ใดกิเลสย่อมเสื่อมระดับศู์ไปนาที่นั้นคำว่าที่ใดนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทราบว่าคือที่ใจดวงเดียวเท่านั้นฉะนั้นจงพากันห้ามหันฟันฝ่นาฆ่ากิเลดด้วยความกล้าตายในสนามรบคือที่ใจโดยอาศัยสถานที่เหมาะสมเป็นเครื่องหนุนกำลังเพื่อใจ ช, ชนะเอาตัวรอดเป็นยอดคน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 ที่สามารถปิดกั้นทางเดินเพื่อมรคผลนิพพานได้อย่างมิชิดแม้เครื่องมือทำการขุดค้นบุกเบิกทุกสมุทัยเพื่อมรคผลนิพพานให้ปรากฏขึ้นอย่างเปิดเผยก็ไม่มีอะไรในสามโลกที่สามารถยิ่งไปกว่านิโรธกับมรคซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวกันนี้เรื่องมีอยู่เพียงเท่านี้อย่าไปสนใจคิดถึงการสถานที่หรือบุคคลใ ด, ด ว่าเป็นภัยและเป็นคุณให้เสียเวลาและล่าช้าไปเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรยิ่งกว่าการคิดถึงเรื่องกิเลสกับธรรมะซึ่งมีอยู่ที่ใจจะผิดพระประสงค์ความมุ่งหมายของศาสดาผู้ประธานธรรมะสอนโลกด้วยความถูกต้องแม่นยำตลอดมามีเป็นใจความโอวาทที่ท่านอาจารย์มั่นสั่งสอนอย่างถึงเหตุถึงผลสมัยอยู่กับท่านที่เชียงใหม่ จำได้อย่างฝังใจไม่เคยหลงลืมจนบัดนี้ท่านว่า